นโมตัสสะพาะวัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพากวัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพากวัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นขอนบอบน้อมแด่พระธรรมคำสอนซึ่งช bon ี้ทางสู่ความพ้นทุกข์ขอนบอบน้อมแด่พระสงฆ์อริยะสาวกทั้งหลาย ผู้รู้ธรรมเห็นธรรมเป็นพยายนแห่งการตัดสู่ของพระพุทธองค์ขอร้อมนมบูชาแด่ครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิประสาทวิชาเจริญพรเป็นคำทักทายของพระใครมาครั้งที่แล้วบ้างมีไหมใครมาสองครั้งก่อนบ้าง สองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะจะพูดต่อเนื่องเป็นเรื่องต่อเนื่องกันเป็นพระสูตรสำคัญพูดมาแล้วสองวันยังไม่ได้พูดชื่อพระสูตรเลย <c oughs> ขอฉเฉลยชื่อพระสูตรวันนี้นะชื่อทาตุวิพังคสูตรเคยได้ยินไหมทาตุวิพังคสูตรทาตุก็คือธาต ท, ทงสระอาะตอเต่าสระอุธาตุวิพังค่ะคือแยกแยกธาตุสูตรที่ว่าด้วยเรื่องการแยกธาตุธาตุที่ว่าเนี่ยไม่ได้ธาตุเอสทอะไรพวกนี้นะไม่ใช่ธาตุทางวิทยาศาสตร์แต่เป็นธาตุเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ชีวิตมนุษย์เนี่ยประกอบด้วยธาตุอย่าง มีธาตุอะไรจำได้ไหมเออลองแยกสิช่วยแยกสิดินน้ำลมไฟมีอะไรอีกอากาศอากาศคือช่องว่างนะอากาศสธาตและมีอะไรอีกวิญญาณธาตุิญญาณธาตคือธาตุรู้เป็นนามธรรมแยกธาตุในมีนามธรรมอยู่อันเดียวถ้าแยกธาตุแค่ธาตุสี่อันนี้เรียกว่าเจริญสมถะมันไม่แยกรูปแยกนาม ยังไม่แยกรูปแยกนามถ้าจะให้ถึงวิปั ส, สนาแล้วต้องแยกถึงระหว่างรูปกับนามด้วยจึงต้องแยกมาถึงธาตุหอันนี้เป็นเป็นสาระอยู่ในพ ร, ระสูตรนี้เป็นสาระสำคัญจึงหยิบเอาตัวสาระมาเป็นชื่อสูตรนะไม่ได้เอาชื่อท่านปุ ก, กุสาติมาเป็นชื่อสูตรเอาตัวธรรมะคือแยกธาตุ ในตอนท้ายของพระสูตรนี้ได้พูดตัวธรรมะนะเฉพาะตัวธรรมะเนี่ยพูดถึงการแยกธาตุแลวพูดถึงอายะตนะหกจาได้ไหมจาได้ไหอายาตนะหกมีอะไรบ้างอะไรนะตาหูจมูกลิ้นกายใจอายะตนะแปลว่าช่องช่องทางช่องทางในการเสพเสวยโลกตัวธาตุหอย่างเนี่ย มีอยู่ธาตุหนึ่งคือวิญญาณธาตุเนี่ยเป็นตัวคอยรู้จะรู้อะไรรู้ทางไหนก็อาศัยช่องช่องทางจะรับรู้ว่าโลกนี้มีอะไรบ้างก็ใส่ช่องทางเนี่ยเรียนรู้ว่าโลกนี้มีอะไรบ้างนะเรียนแล้วก็มัวแต่ชักช้าเรียนแล้วก็มัวแต่ชักช้าอยู่กับโลกติดโลก เรียกว่าที่หน่วงของจิตอีกสิบแปดอย่างจําได้ไหมมีอะไรบ้างพอเจอเลขสิบแปดมึนใหญ่เลยจริงๆแล้วไม่ต้องอะไรมากแต่ละช่องทางเนี่ยมีเวทนาอยู่สามอย่างแต่ละช่องทาง น, นาางะ่ยเห็นแล้วก็เป็นสุขสุขไม่เคยมีก่อนเป็นทุกข์ก่อนเป็นทุกข์เป็นสุขแล้วก็ไม่ทุกข์ไม่สุข เขาเรียกว่าอะไรเวทนา3อย่างเห็นแล้วก็มีทุกเห็นแล้วก็มีสุขเห็นแล้วก็ไม่ทุกไม่สุขไม่ทุกไม่สุขก็เป็นเวทนานะคนไทยจะเรียกว่าเฉยๆยเฉยเห็นแล้วสุขเห็นแล้วทุกเห็นแล้วเฉยเฉยได้ยินแล้วสุขได้ยินแล้วทุกแล้วเฉยเฉยเวทนามีอยู่ทุกขณะจิตแล้วไอ้เวทนาเนี่ย เป็นที่หน่วงของจิต rika. ทำให้ติดโลกไม่ใช่ติดโรค ok นะติดโลกเห็นะ어어แล้วสุขก็ติดในแง่ว่าอยากเห็นอีกนะเห็นแล้วอยากเห็นอีกติดไหมติดนะที่เราอยากเกิดอีกเนี่ยเพราะว่าอยากจะเห็นอีกอยากเกิดอีกเพราะอยากได้ยินอีกอยากเกิดอีกก็อยากได้ได้กินอีกอยากเกิดอีกเพราะอยากจะอยู่กับคนนี้อีกอยากไหม บางคนใส่หน้าเห็นแล้วมีทุกข์ไม่ชอบก็ติดนะถ้าไม่มีสตินะจะติดติดในทุกข์อันนั้นเขาเรียกว่ามีโทสะกับสิ่งนั้นพอมีโทสะแล้วเนี่ยมันติดยังไงเคยได้ยินคำภาษาไทยเมื่อว่าผูกโกรธผูกโกรธ ไอ้ผู้โกรธคือติดนะแสดงอาการติดด้วยการคิดบ่อยคิดถึงสิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยบ่อยๆเป็นไหมเวลาเราคิดถึงใครแล้วไม่ชอบก็คิดบ่อยคิดบ่อยไหมมามีไอ้หน้าคนเนี้ยขึ้นมาบ่อยๆแล้วไอ้คนเนี้ยมักจะออกข่าวอะไรเงี้ยนะ <laughs> <laughs> เออมันติดมติดไหม <laughs> เขเลยเรียกว่าข้ามไม่พ้นมันก็เลยติดโทสะนี่ก็ติดมีทุกข์ก็ติดติดโลกติดโลกนี่นะถือว่าติดเหมือนกันแล้วเฉยๆทาไมติดเพราะไม่รู้เพราะไม่รู้เรื่อยๆเฉยๆไม่มีสติก็ติดทําไมจึงติดก็เรียกว่าเกิดความไม่รู้ตัวนี้เรียกว่าสะสมอนุสัยตัวที่เรียกว่าอวิชชา ความไม่รู้ดังนั้นทุกครั้งที่มีการเสพเสวยโลกด้วยการดูด้วยการฟังด้วยการดมด้วยการลิ้มรสด้วยการรู้สึกสัมผัสแม้แต่คิดนึกต่างๆถ้าไม่มีสติมันจะสะสมเป็นอนุสัยอยู่ทุกขณะจิตเลยพอใจสะสมเป็นราคาอนุสัยราคาคือราคะนะไม่ใช่มีค่าเป็นบาทอะไรนะ ราคาคือราคะบวกกับอนุสัยสนทสนิเป็นคำสนทิแล้วกลายเป็นราคานุสัยอนุสัยคือราคะคุณใจไม่ชอบก็เป็นปฏิฆะอนุสัยที่เป็นปฏิฆะรวมกันคำเดียวเรียกปฏิฆานุสัยมีความเฉยเฉยและไม่รู้ดับไปก็กลายเป็นอวิชานุสัยตกลงแล้วมันน่วงจิตอยู่ติด กับโลกเนี่ยให้สะสมตัวอนุสัยไปเรื่อยๆไม่มีความรู้ว่าแท้จริงแล้วโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เห็นตัวนี้เลยเมื่อไม่เห็นตัวนี้เลยก็เลยพลอยอยากดูต่อพลอยไม่อยากดูต่อจริงๆไอ้ไม่อยากดูต่อคืออยากที่จะไม่ดูมันมันเป็นตัวอยากนะตัณหาเนี่ยมีสามอย่างมีอะไรบ้าง มไม่ใช่กามตัญหาภวะตัหาวิภาวะตัญห า, ญหากามตัญหาคืออยากอยากในกามอยากในกามนี่เป็นอะไรบ้างกามนี่คือความสุขที่ได้จากการดูฟังดมลิ้มรสและสัมผัสทางกายเห็นไหมดูมันหน่วงไหมหน่วงอยู่กับโลกนะเราไม่รู้ทันแล้วก็เลยอยากไม่ชอบมันก็มีอยาก เรียกว่าวิภาวะตัณหาอยากที่จะไม่เจอมันต้องไม่เจอมันด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อยากเจอเธออะไรมันรู้สึกไม่ค่อยอยากตัณหายังอ่อนไม่อยากเจอมันไม่อยากเจอแกไม่อยากเจอหล่อนอะไรอย่างงี้ยจริงหล่อนนี่เป็นสรพพนามไทยแท้ๆนะแต่พอเราใช้ไทยแท้ๆ แ, แล้วเป็นคําหยาบไปทุกทีเลยเนาะเรานิยมคําต่างประเทศ คำที่ว่าไม่อยากไม่อยากเนี่ยจริงๆคืออยากที่จะไม่อยากที่จะไม่ไมสังเกตดูแล้วถ้าไม่รู้เลยไม่รู้อะไรเลยก็กลายเป็นอวิชาไปอีกเราจรึงไม่พ้นไปจากโลกนีส้สักทีกายนี้ตายไปแล้วจิตมันยังไม่ฉลาดพอที่จะรู้โทษรู้ทุกข์ของโลกนี้โลกนี้คือกายและใจนะ โลกนี้คือกายและใจก็ไปสร้างโลกใหม่สร้างกายสร้างใจอันใหม่ขึ้นมากลายเป็นเกิดดับสืบต่อเรื่อยไปเวลาคนตายเนี่ยในทางพุทธศาสนาเนี่ยจะใช้คำคำหนึ่งเพื่อให้รู้ว่ามันไม่ได้ดับไปแท้จริงนะใช้คำว่าจุติจิตจิตสุดท้ายของชีวิตนี้ ถ้ายังเป็นจิตที่โง่อยู่ยังเป็นจิตแบบเคลื่อนไปเคลื่อนไปไหนเคลื่อนไปเกิดใหม่เคลื่อนไปแล้วปฏิสนธิในขันใหม่พบภูมิใหม่จิตดวงนั้นทิ้งกายนี้แล้วไปสร้างกายใหม่กายต่อไปจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับว่าชาตินี้มีทุนดีหรือไม่ดีคนที่คิดว่าเกิดมาแล้วตายชาติเดียว เป็นแบบนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์ทั้งหลายก็ไม่เชื่อในเรื่องบุญเรื่องบาปนี้ก็เยอะนะใช้ชีวิตเสพเสวยโลกเต็มที่อย่างนี้เนี่ยทางพุทธศาสนาเรียกว่านักโลกายัตฟังชื่อแล้วไม่น่าอยู่ด้วยเลยนะมันยัดยัดยังไงมารู้โลกายัตคือพวกที่คิดว่าเกิดขึ้นแล้วก็ตายไปชาตินี้ชาติเดียวเพราะนั้นเมื่อก่อนจะตาย ก็ควรจะเสพเสวยให้มากที่สุดกินให้มากที่สุดกินให้อร่อยที่สุดหาเงินให้มากที่สุดเสพเสวยโลกให้มากที่สุดเหมือนพวกที่ได้ข่าวว่าโลกจะแตกโลกจะแตกบางคนนะเบิกเงินมาใช้จ่ายกินเต็มที่ไหนๆก็จะตายแล้วถ้าเป็นเราเราเอาไหมเรารู้ว่าทุนที่จะไปต่อชาติหน้าถ้าเราเรายังไม่เป็นพระอาหารหันเนี่ยนะคือบุญกุศลที่จะเอาไป ติดตัวไปได้ใช่ไหมก็ถ้าเบิกเงินมาเราจะเบิกเงินไปทำบุญใช่ไหมแต่เบิกเงินไปทำบุญด้วยข่าวแบบนี้แล้วด้วยความเชื่อก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีปัญญาเท่าไหร่เนาะนี่พูดแบบเพลาะแล้วนะแต่ถ้าทำทด้วยจิตที่เป็นกุศลก็ได้บุญดีแต่พอผ่านวันไปแล้วที่เขาพยากรแล้วมันไม่แตกจริงแล้วเสียใจก็ลาบากเหมือนกันใช่ไหม นั้นเวลาฟังข่าวอะไรก็อย่าฟังพร้อมกันสองหูเรียกฟังหูไว้หูเพราะฟังพร้อมกันสองหูนี่มันก็ถล่าไปเลยฟังหูไว้หูคราวก่อนเนี่ยเล่านิทานเอาไว้จํานิทานได้ไหมนิทานหลอกเด็ก mm hmm. <laughs> ใครเป็นเด็กบ้าง <laughs> เราผู้ใหญ่ <laughs>